เรื่องเล่าผีหลอนตอนผีปอบมีจริงที่สวรรค์เขตเรื่องราวเกี่ยวกับผีปอบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณประนมกงพันราชทันได้ประสบพบเจอมากับตัวเองแล้วได้เขียนบันทึกเอาไว้เรื่องราวนี้ได้ย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วโดยเรื่องมีอยู่ว่า สะพานแม่น้ำโขงแห่งที่สองระหว่างมุกดาหารไปสวรรคเขตกำลังก่อสร้างจวนจะแล้วเสร็จคาดว่าจะเปิดให้ใช้ได้ในต้นปีพศ2550นี้แน่นอนขณะเขียนต้นฉบับเรื่องนี้สะพานได้สร้างเกือบเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็น์แล้วแต่ยังเหลือการวางสายโยงขึงสะพานเป็นช่วง คาดว่าอีกไม่กี่เดือนก็คงจะเสร็จคุณประนมเป็นคนจังหวัดนครพนมโดยกำเนิดแต่มีญาติพี่น้องอยู่ที่ฝั่งสปปลาวตำแหน่งก็ใหญ่โตพอสมควรคือเป็นตำรวจระดับผู้กากับการเมื่อเทียบยศกับฝ่ายไทยเมอปีพศออ2504ญาติผู้ใหญ่ที่เป็นนายตำรวจอยู่เมืองสวรรค์เขต เดวเรียกตัวผมให้ไปทำงานอยู่ที่แขวงสวรรค์เขตผมจึงตัดสินใจเดินทางไปทันทีพร้อมครอบครัวมีภรรยาหนึ่งคนบุตรอีกสามคนอายุเจ็ดขวบเก้าขวบแล้วก็สิบขวบไล่เลี่ยกันเนื่องจากเมืองสวรรณเขตเป็นเมืองใหญ่ระดับแขวงจึงมีประชากรอยู่กันหนาแน่นเทียบกับจังหวัดใหญ่ในภาคอีสานของเราเช่น โคราชอุดรธานีหรืออุบลราชธานีก็ใกล้เคียงกันและสมัยนั้นเงินกีบ ย, ยังไม่เฟ้อและตกต่ำเหมือนทุกวันนี้สมัยนั้น100กรกีบแลกได้เงินไทยถึง 27-28 บถึงบาทแต่ในปัจจุบัน250กีบเท่ากับประมาณ1บาท 1,000 กีบ ก็จะแลกได้ประมาณสี่ถึงห้าบาทเท่านั้นเองสวรรคเขตได้ชื่อว่าเป็นเมืองเอกทางภาคใต้ของเราซึ่งสมัยนั้นเป็นเมืองใหญ่มีประชากรหนาแน่นมีสนามบินมีสถานีวิทยุกระจายเสียงสองสสถานีมีค่ายทหารขนาดใหญ่ย่านการค้าก็หนาแน่นคืคึกครักมีกงศุน์ชาติต่างๆหลายชาติ มีวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมมีโรงพิมพ์มีวังของกษัตรยิย์ถือได้ว่ามีความเจริญอยู่แล้วพอประมาณในยุคนั้นเมื่อไปถึงใหม่ๆเนื่องจากคุณประนมมีครอบครัวแล้วทางญาติจึงแนะนำให้ไปเช่าห้องแถวอยู่ซึ่งเป็นอาคารสองชั้นชั้นล่างได้ปล่อยโลง่งแต่ไม่ได้เทพื้นคอนกรีต เทเฉพาะห้องครัวซึ่งอยู่ด้านหลังของอาคารเท่านั้นตัวอาคารหันหน้าไปทางที่ตะวันตกเรียกกันว่าหมู่บ้านศรีบุญเรืองมีพ่อบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านชื่อวันทองอายุเจสปีแล้วคุณประนมไปอยู่ได้ไม่นานทางญาติก็ฝากงานให้ทำในหน่วยงานขององค์กรยูเศดของสหรัฐอเมริกา เหตุการณ์ผ่านไปแล้วเกือบสองปีที่คุณประนมและครอบครัวอาศัยอยู่ในห้องแถวดังกล่าวซึ่งมีอยู่สี่ห้องโดยมีผู้อาศัยอยู่เต็มทุกห้องแรกๆก็ยังไม่รู้จักและสนิทสนมกันนักต่างคนต่างอยู่ครั้นต่อมาไม่นานก็รู้จักสนิทสนมกันเป็นอย่างดีมีอะไรก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันจนเป็นเหมือนญาติสนิท ก็ไม่ปานห้องที่หนึ่งมีตาแก่คนหนึ่งลักษณะเตี้ยผิวขาวหลังค่อมมาอาศัยอยู่กับหลานสาวพื้นเพแกเป็นคนทางเมืองปากเซแขวงจำปาสักห้องที่สองมีสองผัวเมียแต่ไม่มีบุตรมีอาชีพตักน้ำใส่รถเข็นขายอายุประมาณห0สิปีแล้วส่วนคุณประนม อยู่ห้องที่สกับภรรยาและบุตรอีกสามคนเป็นหญิงหนึ่งคนเป็นชายสองคนลูกๆ ก, ก็ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนตอนนั้นคุณพระนมอายุ37ปีส่วนภรรยาอายุ38มีอาชีพเป็นแม่ค้าขายของอยู่ที่ตลาดสวรรคเขตและทำหน้าที่แม่บ้านด้วยส่วนห้องที่สี่นั้น เป็นชาวเวียดนามแต่มีลูกเขยเป็นคนลาวและเป็นทหารมีแม่น้องสาวและบุตรอีกสองคนอาศัยอยู่รวมกันเป็นสี่คนเย็นวันหนึ่งหลังจากที่คุณประนมเลิกงานแล้วก็กลับมาถึงบ้านเวลาประมาณสี่โมงครึ่งลูกสาวคนโตก็ได้ไปเล่นอยู่กับยายซึ่งพักอยู่ห้องที่สองปรากฏว่า ยายคนดังกล่าวรู้สึกเจ็บที่หัวแม่เท้าเจ็บอยู่นานก็ไม่หายสักทีซ้ำยังปวดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงบริเวณหัวเขา่ายายจึงได้ไปตามหมอมาบ้านพักของหมอก็อยู่ห่างไปประมาณร0อยเมตรเท่านั้นเองหมอคนนั้นชื่อจ่าวันทองเป็นทหารบกอายุเพียง40สิปียังหนุ่มแน่น แข็งแรงแบบทหารมีความชำนาญเฉพาะทางด้านศยศาสตร์และคาถาอาคมหมอมาถึงห้องพักโดยไม่ได้ถืออะไรมามามือเปล่าคนที่อยู่ในห้องแถวจึงเล่าอาการของยายให้ฟังเมื่อฟังแล้วหมอก็ได้เข้าไปนั่งอยู่ข้างๆคนเจ็บแล้วพิจารณาดูพร้อมบริกรรมคาถาพึมพำตามวิชาที่เล่าเรียนมา จากนั้นก็ยกฝ่ามือทั้งสองข้างกางออกอยู่ใกล้ๆผู้ป่วยหมอได้เคลื่อนมือไปจนทั่วลำตัวของผู้ป่วยแล้วบอกว่าไม่พบอะไรและไม่มีอะไรเขาสงสัยแต่ว่าคงเป็นผีบรรพบรุษมาสิงสู่เพื่อตามหาญาติพี่น้องแต่คุณประนมยังไม่แน่ใจจึงบอกว่า ขอให้ลองตรวจดูอีกทีหมอจึงบริกรรมคาถาใหม่พึมพำไปนานประมาณหนึ่งนาทีแล้วบ้วนน้ำลายลงบนฝ่ามือทั้งสองข้างจากนั้นก็เอาฝ่ามือไปวางใกล้ๆคนไข้อีกครั้งหนึ่งคราวนี้คนป่วยสะดุ้งตกใจและลุกเดินเข้าไปในห้องบอกว่าจะเข้าไปนอนแล้วเอาผ้าหม่มคลุมตัว เมื่อหมอเห็นดังนั้นก็บอกว่าใช่แล้วคุณประนมจึงถามไปว่าคนปราบผีปอบอยู่ที่ไหนแล้วก็มีคนหนึ่งที่มันนั่งดูเหตุการณ์อยู่ด้วยกันก็ตอบมาว่ามีอยู่คนหนึ่งเป็นตำรวจแต่ผมไม่รู้ว่าบ้านหมอปราบผีปอบคนนั้นอยู่ที่ไหนคุณประนมจึงไปถามที่ป้อมตำรวจซึ่งอยู่ในตลาดสวรรคเขตนั่นเองมีคนบอกว่า หมอคนนี้ชื่อจ่าบุญมีแต่ขณะนั้นกําลังเข้าเวรยามอยู่ที่สถานีตำรวจคุณประนมจึงไปตามจนพบตัวและพามาที่บ้านของคนป่วยทันทีพอขึ้นมาถึงห้องพักจ่าบุญมีก็พิจารณาดูผู้ป่วยและทำคล้ายๆกับหมอคนแรกแต่จ่าบุญมีมีสมุนไพรติดตัวมาด้วยหนึ่งชิน้น ลักษณะคลายว่านเขาบอกให้คุณประนมหาขันน้ำมาพร้อมกับใส่น้ำครึ่งขันและหินฝนเมื่อพร้อมแล้วก็ฝนว่านสมุนไพรลงไปในขันจนน้ำมีลักษณะขุ่นๆแล้วเขาก็บอกให้คุณประนมเอาไปรดหัวผู้ป่วยคุณประนมก็ไม่ได้คิดอะไรและไม่เชื่อในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว แต่ก็ทําตามหน้าที่ที่หมอบอกเท่านั้นเองใจหนึ่งก็อยากทดสอบดูเหมือนกันว่ามันจะเป็นอย่างไรจึงดึงผ้าห่มที่คลุมร่างผู้ป่วยออกแล้วเอาขันน้ําใบนั้นเทราดรถหัวผู้ป่วยพร้อมทั้งคว่ำขันครอบหัวเอาไว้ด้วยเมื่อผู้ป่วยถูกรดด้วยน้ํายาสมุนไพรก็สะดุ้งเฮือกแล้วปึงปังลุกขึ้นมา ตั้งท่าวางมวยทางทางที่ผู้ป่วยเป็นผู้หญิงผอมตัวดำและอายุมากแล้วจากนั้นก็ล้มตัวลงนอนอีกหมอได้เอาฝ่ามือคลาไปทั่วร่างกายลักษณะเหมือนมีอะไรอยู่ใต้ผิวหนังแต่เคลื่อนไหววิ่งไปวิ่งมาทั่วร่างกายลักษณะเหมือนเราจับปลาในอ่างหรืองมปลาในแห่ในอวน จนในที่สุดสิ่งนั้นก็มาหยุดที่สีข้างด้านซ้ายแล้วหมอบุญมีจึงกรรมสิ่งนั้นไว้ในมือหมอบุญมีเงยหน้าขึ้นมาถามคุณประนมว่าจะให้บีบไหมถ้าบีบผีบปอบจะตายนะคุณประนมจึงบอกหมอว่าหยุดก่อนอย่าเพิ่งทำเพราะอยากรู้ว่าเป็นใครมาจากไหนในที่สุดคนป่วยก็พูดขึ้นว่า อยู่ใกล้ๆนี่แหละพอพูดจบก็ลุกขึ้นขอตัวลงไปปัสสาวะที่ห้องน้ำข้างล่างก็หมายความว่าปอบตอนนั้นได้ออกจากร่างผู้ป่วยไปแล้วขณะที่ปัสสาวะแล้วหมอบุญมียังได้บอกอีกว่าลักษณะของผีปอบนั้นทามันกินคนไม่ได้เจอหมอดีๆมันก็จะออกไป แต่ถ้าเจอหมอไม่ดีคนป่วยก็จะตายลงจากนั้นคุณประนมก็ลงมายังชั้นล่างแล้วพูดเสียงดังว่าโปรดทราบคนไหนเป็นผีปอบให้มารายงานตัวด่วนจากนั้นไม่ถึงสิบนาทีตาแก่หลังค่อมที่เช่าอยู่ห้องที่หนึ่งก็ได้เข้ามาสารภาพกับคุณประนมเขาเองที่เป็นผีปอบ พอทราบดังนั้นจึงไปตามตำรวจที่ป้อมและผู้ใหญ่บ้านมาเจรจากันคุณผู้เป็นผีปอบจะยอมหนีจากห้องแถวนี้หรือเปล่าโดยให้หนีในค่ำวันนี้เลยมีการทำสัญญากันระหว่างนายบ้านกับผู้เป็นผีปอบและคุณประนมโดยมีชาวห้องแถวเป็นพยานและเมื่อยินยอมก็จะไม่เอาผิด ตำรวจจึงรับตัวไปอยู่ที่ป้อมพร้อมสิ่งของเครื่องใช้ประจำตัวอื่นๆตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่เคยเจอผีปอบตนนั้นอีกเลยขอบคุณเรื่องราวจากคุณประนมกงพันราชจากจังหวัดนครพนมด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องผีเรื่องลี้ลับต่างๆอย่าลืมกด subscribe